คณะที่จัดทาเป็นหัดติดก้อนหนึ่งประมาณ 6,000 กว่าบาทไม่ใช่หัดติดเล็กนะตั้ง40กว่าก้อนแต่คิดเป็นเงินออกมาก็เกือบ3แสนสองแสนเก้าแล้วยังมีธรรมเทศนาของหลวงตาอีกหลายหมื่นกันเป็นหมื่นหมื่นกว่ากันเกือบสองหมื่นกัน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 หลวงตามหาบวอเพียงแค่นี้ก็จะเทือนแล้วคำว่าผมผมเนละเป็นใครใช่ไหมเยไม่ได้รายงานพาไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานะี่ยหลวงปู่มั่นพูดจากนั้นท่านก็บอกมหาการที่ท่านเข้ามาศึกษาธรรมะท่านได้เป็นมหาตํหรับตาราที่ท่านในเรียนมานะ่ะทั้งหมดประยัาของท่านนะให้เอาเข้าไว้ในตู้ในหีบซะก่อนนะ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 มากันกลองไตรตองอย่าไปเฮ่อคนนั้นพูดกัดสินอย่างนั้นอภินิหารอย่างนี้เข้าทรงอย่างนั้นมันมีมากมายทุกวันนี่ที่จะถลําถลายเข้ามาพวกเราในฐานะสิทธิ์เรื่องแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วให้ศึกษาให้ดีนะให้ศึกษาให้ดี